ตอ น, นี้ไปพึ่งพากันตั้งใจจมรวมจิตใจของตนให้ดีนั่งสมาธิภาวนาเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกฝน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 ที่จะได้ตัดสรูในด้วยพระเจ้าตอนที่พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนบันลังในครั้งนั้นพระองค์ก็เจริญอาณาปานสตินี่แหละทรงตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของพระองค์ก็ได้บรรลุ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 เป็นเครื่องระ ง, งับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพิจารณาในทางปรมัตธรรมแล้วไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายที่ว่าขี้ร้ายหรือสวยงามนั่นสมมุติบรญยัติว่าเอากันเฉยๆสมมติไปตามอาการของสังขารแต่ถ้าเพ่ง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 เป็นต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรโมนี่นะมันก็เป็นแต่เพียงส ภ, ภาวธาตทั้งสี่ประชุมกันเข้าแล้วก็เจริญขึ้นไปในที่สุดก็แตกทำลายลงอันหมนี่มันเป็นความจริง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 นี่แหละเรียกว่าศรัทธาจริตนี่มันถ้าหากว่าไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วมันก็อาจเชื่อไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันนะวิตกจริตอย่างนี้เมื่อไปเที่ยวเก็บเอาอารมณ์อะไรต่ออะไรมาวิตกปิจานมากเข้ามากเข้ามันก็ถ้าเป็นอารมณ์ที่น่ารักมันก็รักไปอย่างรุนแรงนะ เป็นเหตุได้ทําบาปความชั่วด้วยความรักอันนั้นก็มีบางทีถ้ามันไปยึดเอาอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาวิตกวิจารณ์รุนแรงขึ้นไปมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยความโกรธความวิตกไปในความโกรธความพยาบาทนั่นแหละเมื่อระงับไม่ได้ก็ไปเบียดเบียนผู้อื่น สร้างกรรมสร้างเวทใส่ตนเองนเนี่ยนี่อ่ะคำว่าวิตกจริตนะไม่ใช่ว่ามันจะวิตกไปนในทางดีๆุดวนลวนนะ่ะไม่ใช่อนะทางชั่วมันก็วิตกไปเหมือนกันนะเนี่ยพอมันอยู่ในประเภทโมหะจริตเนี่ยท่านเรียกว่าคนมีความหลงเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจ มีแต่วิตกไปหน้าเรื่อยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่มาระงับความคิดความนึกภายในจิตใจนี้จับเรื่องอะไรได้กับวิตกเรื่อยเปือไปยไปส่งจิตเรื่อยไปเกิดความยินดีไปยินร้ายไปเรื่อยๆพุทธิจริตได้ชื่อว่าเป็นผู้เรียนมากเลียนหลาย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 ไม่ควรดำเนินตามเช่อนอย่างแสดงไว้ในตอนต้นแห่งพระธรรมจักรกปวัตนสูตรนั่นนะเดี๋ยวว่าทางอันเป็นที่ไปของของดวงกิตเนี่ยสองเส้นเนี่ยเป็นทางอันลามกซึ่งนักปราชญ์ทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ทรงดำเนินเดินตามทางสองสายนั้น สายที่แรกได้แก่กา ร, ร ม, มาสุขขันริกานุโยก ค, คือประกอบตนให้พัวพันอยู่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมทั้งหลายไม่รู้จักสั่งจกักซาไม่รู้จักเบื่อจักน่ายสายที่สองได้แก่อตตะกิลมฐานุโยกประกอบตนในความเพียรอันเป็นไปในทางที่ผิด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 อาการเหล่านั้นบางทีก็พิษบางทีก็ทูกข์ไปจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิมันก็ไหลไปตามอาการนั้นนั้นอันบุนี้เราได้ชื่อว่ามันเป็นความหลงความเมาความไม่ได้ไข้ควรด้วยปัญญาแม้จะมีความรู้ท่วมหัวก็เอาตัวไม่รอด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 กทรมานร่างกายอันนี้ให้บอบช้ำไปเห็นในตำรานั้นกล่าวไว้ว่าไปทุบเอาสะเก็ดหินคมๆนั้นมากรีดตามร่างกาย<ม>ก็ให้เป็นแผลเน่าเฟ้อส่งกลิ่ น, นเหม็นได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาอาหาว่าตนทำอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะไม่ได้ลื่นเริงมันจะไม่เพ่งไปในความรักความใคร่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 ร่างกายนี้มันเหือดแห้งไปแล้วกิเลสมันก็จะเหือดแห้งไปตามกันอย่างนี้เพราะบรมศ า, าสดาของเราก็ได้ทรงทำทดลองดูเหมือนกันนี่ยในปฏิปทาข้อนี้นะแต่แล้วไม่เป็นไปเพื่อทางตัดสุสัมมาสัมโพธิญาณก็จึงได้ทรงละเลิกเสีย เช่นอดนอนผ่อนอาหารฉันน้อยลงไปโดยลำดับจนยังเท่ากับเมล็ดพันธุ์ักกาดก็ไม่สามารถที่จะตัดสู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นพระองค์จึงละเลิกในการอดอาหารเที่ยววินทบาทมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นปกติแล้ว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 สู้ให้พร้อมลงไปนั่นได้สเสวยแต่ทุกขเวทนาจิตใจไม่ปลอดโปร่งเลยจึงไม่เป็นทางตัดสู้ได้ต่อเมื่อมาบำรุงร่างกายให้เป็นปกติฉันไม่ก็ไม่ให้มากเกินไปและก็ไม่ให้น้อยเกินไปฉันพอดีพอดีวันละมือ้ออันนี้ก็เรียก ว, ว่าพออาหารมื้อเดียวนี้ก็จะสามารถ บำรงร่างกายนี้ให้อยู่ไปได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึงเมื่อมองเห็นปฏิปทาอันนี้ยจึงได้เที่ยวบินทบาทมาฉันเพียงมือเดียวแล้วก็ไม่มากเกินไปถ้าฉันมากเกินไปอาหารทับธาตุนั่งภาวนาจิตใจก็มีแต่ง่วงแต่เงาห้าวนอนไม่เป็นอันภาวนาเพราะนั้นจึงตรงฉันพอ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 ถ้าประกอบไปด้วยความรักความใคร่แต่ก็มีความรักอยู่ในขอบเขตเช่นอย่างมีความจงรักภักดีรักใคร่อยู่แต่เฉพาะสามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นไม่ปล่อยให้ความรักมันลุ ก, กลามไปถึงสามีภรรยาของคนอื่นอย่างนี้นี่มันก็ไม่เกิดเป็นบาปอกุศลแต่อย่างใดความรักอย่างที่ว่านี่นะ เป็นแต่เพียงว่ามันทำให้คล่องอยู่ในโลกเท่านั้นเองดังนั้นผู้ครองเดือนก็จงมีเมตตาจำเพาะเจาะจงแต่สามีหรือภรรยาของตนเท่านั้นแล้วต่อจากนั้นไปเราก็เจริญเมตตาต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายเช่นมารดาบิดาลุงป้าหน้าอา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 บางคนก็มีบุญน้อยได้ทำความดีมาแต่ชาติก่อนน้อยไปเกิดมาชาตินี้ก็จึงทุกข์จนหนนโลกไม่มีสติปัญญาหาเงินทองเข้าของมาเลี้ยงตนและครอบครัวไหวทั้งอวัยวะร่างกายคววิบัติขัดข้องก็มีผู้ใดได้ทำกุศลความดีมาตั้งแต่ชาติก่อนมากเมื่อเกิดมาในชาตินี้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 อันบุญตกแต่งให้นี่ไปทำความชั่วเหียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวา ด, ดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษทุกชนิดอย่างนี้ไม่ควรที่จะใช้กายวาจาไปทำชั่วดังกล่าวมานี่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 ไม่ให้โกรธกันเบียดเบียนกันอย่างนี้เขาไม่เชื่อหรอกเมื่อตอนเองเป็นเจ้าชู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปสอนให้คนอื่นละความเป็นเจ้าชู้มันก็ไม่ได้อยู่ดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องมาเจริญเมตตาตนนี่แหละก่อนนะทำอย่างไรตนนี่จะถึงซึ่งความสุขความสงบจากกิเลสป่าประทับกรรมมันชั่วร้ายทั้ทงๆได้ก็ ้าเพียพรพยายามไปในความเพียรสี่ประการนั้นน่ะนี่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าความเพียร น, นี่มีองค์สี่คือหนึ่งเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานสองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วสามเพียรทำบุญกุศลความดีให้เกิดมีขึ้นในตนสี่เพียรรักษาบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญ ให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั่นแล้วไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมไปนี่ความเพียรในพุทธศาสานาเนี่ยพระศาสด า, าทรงแสดงไว้ประกอบกไปด้วยองค์สี่อย่างนี้เองเนี่ยเพราะนั้นบุคคลผู้ที่มามองดูตนของตนว่ายังมีกิเลสยังมีอวิชชาตันหายังมีความโลภความโกรธความหลงครอบงามจิตใจอยู่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 เพราะว่า ก, กิเลสสามกองนี่มันเป็นมูลเหตุแห่งบาปอาคุศนอย่างนี้แหละบาปอาคุศนจะเกิดขึ้นได้คนจะทำบาปจะมีฆ่าสาัตว์เป็นต้นได้ก็เพราะอาศัยกิเลสสามกองนี่เองเลยเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เต็มที่เลย เมื่อเบียดเบียนคนอื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนได้ก็เท่ากับเบียดเบียนตนนั้นเองเนี่ยกรรมชั่วที่ตนทำลงไปนั้นมันก็นย้อนกลับมาหาตนตนก็พลอยได้รับความทุกข์ทนทรมานไปเป็นอย่างนี้ เ, นนเหตนั้นแหละเมื่อพารนาเห็นเหตุผลอย่างนี้ก็พยายามส้ำรวมระวังอย่าให้จิตของตนมันเพ่งไปในสมบัติของผู้อื่นอย่าให้มันเพ่ง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 มันก็มีมายาของมันอยู่ในตัวเหมือนกันแหละเส็บเข้าไปทีแรกนี้รู้สึกว่าร่างกายปลอดโปรงคิดใจปลอดโปรงดีล่เริงบันเทิงดีคล้ายๆกับว่าจะไม่มีทุกข์มีโศกสักทีแหละเมื่อส่องเจ็บมากๆเข้าไปมาติดงมแงมแล้วออกไม่ได้ อย่างนี้เงินทองหามาได้ เ, เท่าไหรก็ไปซื้อของเสพติดมาบริโภคหมดเลยเมื่อเงินทองล้อยหลอลงไปเท่าไหรความทุกข์ความเดือดร้อนก็ปรากฏมีเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกแต่ตนบัดเนี้ทั้งลามไปถึงลูกถึงเมียถึงพี่น้องถึงเพื่อนบ้านร่วมโลกกันอีกเดี๋ยวไปเที่ยวไปเป็นโจรกี้ปล้นเอาสมบัติพวกอื่นมาซื้อของเสพติดบริโภคหมู่นี้นะ ทีแรกมันก็มีความโลภนั่นแหละเกิดขึ้นก่อนน ะ, ะเมื่อมันผิดหวังในความโลภมันก็กลายเป็นความโกรธ ด, ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละโกรธแล้วก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นอาชัดอื่นเพื่อให้ได้เงินทองเข้าของมาซื้อของเสพติดใช้โทษบริโภคอย่างว่านั้นแล้วได้กลายเป็นความหลงไปหลงและถ้าหากว่าไม่หลงเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นถ้า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 ในน้อมสัญญาอารมณ์ต่างนั้นเข้ามาใน จ, ใจิตใจอันเป็นปัจจุบันนี้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นนะเป็นผีหลอกหลอกให้ตนทำความชั่วตายแล้วก็จะไปไหมอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อนลึกได้รู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย พระศาสด า, าทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัทก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้ทวนกระแสะความอยากความปรารถนาอันประกอบไปด้วยโมหะจริตนั่นเน่ยเข้ามาพิจารณาก่อนก่อนที่จะทําอะไรลงไปก่อนที่จะพูดอะไรลงไปอย่างนี้เนี่ทวนกระแสะจิตเข้ามาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็ น, หนผลเรื่องนั้นโดยแจมแจ้ง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 จึงสมกับพุทธพาจิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ข้อหนึ่งว่านิสัมมพระนังเสยโยใครครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าอ่นี่แหละพระศาสดาทรงตรัสพาจิตนี้ไว้นพรวนาคคิดะทำไมพระ อ, องค์เจ้าจึงตรัสอย่างนี้ที่ทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าคนเรานั่นนะ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 เมื่อใครพลาดพังธทรรมลงไปแล้วนั้นจะหาทางทาความดีแก้ตัวอย่างไรอย่างไรก็ไม่พ้นโทษได้เลยเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วก็มีอาเวจีมหานรกเป็นเรือนนอนอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละการระมัดระวังไม่ให้ความชั่วไม่บาปเกิดขึ้นในสันดานนี่ย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 ก็โดยอาศัยตาหูจมูกกลิน้นกายใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ทั้งห้าประการนี้เองแหละถ้าเราไม่ได้อาศัยอายตนาภายในภายนอกนี้ก่อนอย่างนี้มันก็ทำความดีทำความชั่วอะไรไม่ได้ดอกเรื่องมันนะเช่นอย่างตาได้เห็นรูปอย่างนี้นะ มันยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุบัญจารคีทั้งห้าได้เห็นรูปร่างของ菩萨ทามีผิวพันวันณะพุทธพองได้ฟังอุบายธรรมะของ菩าทาดาอย่างจับอกจับใจเมื่อเห็นเข้าแล้วได้ยินพระสุรเสียงเข้าไปแล้วก็เกิดความเคารพน้อมน้อมแต่ก่อนนั่นเมื่อยังไม่รู้คุณวิเศษของพระองค์ก็กระด้างกระเดือน ตีตัวเสมอยกตนเสมอกับพระองค์ท่านอย่างนี้แหละพอพระองค์ชี้เหตุผลอะไรต่อให้ฟังแล้วสำนึกได้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสเคารพเป็นอย่างยิ่งเงียโสประสาทลงฟังธรรมฟังลงฟังพระธรรมจักกับปวัตนสูตรด้วยดีและฟังอนัตตลกขณสูตรไปโดยลำดับในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตตผล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 จิตใจเป็นกลางลงไปแล้วมันทำบาปไม่ได้แล้วคนเราเบียดเบียนใครก็ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าพลั้งเผอไม่สามารถที่จะสำรวมระวังได้เต็มที่ก็ะจนเป็นเหตุได้ไปทำบาปลงไปแล้วจึงรู้ตัวอย่างเงี้ยพอรู้ตัวแล้วเวลาใดก็รีบทำความเพียนละ อ, ะอารมณ์แห่งบาปอากุศลนั้นให้ระงับดับไปจากจิตใจให้ได้ ก็หมายถึงละความโลภ ค, ความโกรธอันมันหมัมกหมมอยู่ในใจิตใจ น, นั่นเองแหละเพียนละมันออกไปเพียนละความโลภด้วยการให้การบริจาคทานเพียนละความโกรธ ด, ด้วยการเจริญเมตตากรุณาให้มากมากขึ้นไปเพียนละความหลงด้วยการไหวพระด้วยการนั่งสมาธิภาวนาทำใจที่พุ่งสร้างเลื่อนลอยให้สงบประงับลง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 ดังกล่าวมานี้แล้วก็จะได้เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายต่อรกรรมมกิเลสวิบากทั้งหลายดังกล่าวมานี้เมื่อบุคคลเบื่อหน่ายต่อกรมชั่วมันก็ละกมชั่วด้านได้เลยไม่ถือมั่นไว้แล้วเพราะว่ามันกมชั่วทั้งหลายนี่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดนี่จะไปยึดถือมันไว้ทำไมอ่ะ เมื่อเบื่อได้ายต่อคำชั่วก็หมายความว่าเบื่อหนายต่อความโลภต่อความโกรธต่อความหลงนั่นแหละเมื่อเบื่อนายต่อขีเลอะต่อนี้แล้วมันก็เพียรละมันแหละจะไม่โลภไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของใครเลยตนสวยงามาได้โดยทางที่ชอบได้มากน้อยเท่าไรก็บริโภคใส่สอยอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่ไปโกรธใครเกลียดใครเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี่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 สังขารทั้งหลายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งที่ส่วนที่เป็นบุญหรือเป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็เหมือนกันล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญายอย่างนี้แล้วบาปก็ไม่ถือมั่นไว้บุญก็ไม่ถือมั่นไว้ในใจแบบนี้นะละทางบุญละทางบาปเลย ความบุญบาปมันตกแต่งให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นบุญถึงแม้จะตกแต่งให้เกิดดีมีสมบุญด้วยลาบยศสรรเสริญละความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอย่างไรก็ไม่พ้นจากความไม่เที่ยงความแปรปวนไปแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านี้นะมันมีปรากฏเลย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 บาปหรือจะละบุญได้ก็ต้องอาศัยสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มก่อนนะมันจึงค่อยละลงได้มันจึงปรงตบได้แล้วบาปก็เหมือนกันเนี่ยควรจะละได้มันก็ต้องละต้นเหตุแห่งบาปนี้ให้มันหมดลงไปก่อนให้บาปนั้นมันก็จึงค่อยหมดสิ้นไปถ้าที่บุคคลจะละบุญได้ก็ต้องสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มซะก่อน ออย่างนี้แหละถ้าบุญกุศลไม่เต็มแล้วละไม่ได้ละไม่ได้แน่นอนทีเดียวละบุญยังไม่ได้แต่ต้องอาศัยบุญนั่นแหละเป็นทุนบัดนี้อาศัยบุญนั่นบุญเก่าที่ทํามานั่นแหละเป็นทุนสั่งสมบุญใหม่สืบต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มอันนี้เดาพูดอย่างรวบลัดตัดตอนก็อย่างเราเจริญ ศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้นะนั่นเนี่ยการรักษาศีลนี่มันก็ต้องให้สูงขึ้นไปโดยลำดับรักษาให้ละเอียดให้ฝานิ่งเข้าไปจนเป็นอะที่ศีลนุ่นศีลยิ่งไม่ล อ, อ, อไม่ยอมล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระศาสดาทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ไม่ที่บุคคลจะ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 ก็รู้ว่าทุกดับจากกิจใจไปแล้วข้อดับตัณหาความอยากแล้วทุกขทางใจก็ไม่มีนี่ข้อปฏิบัติศินสมาธิปัญญาชื่อว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้ทางสายเดียวนี้เท่านั้นสายอื่นไม่มีไม่ใช่ทางดับทุกขเห็นแจ้งพระจักรีตนเองอย่างนี้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นปัญญาอันยิง่งเพราะฉะนั้น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 ให้เป็นให้ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอันเป็นมัต ส, สิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทิพระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วดังบรรยายมาอก็ขอยุดติลงเพียงเท่านี้